การที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างสม่ำเสมอกันอย่างต่อเนื่องก็เพราะมีศรัทธาในพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสอนไว้ว่ารถแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงเพราะถ้าเรามีความยินดีในธรรมเราก็จะเข้าหาธรรมนั่นเองเมื่อเราได้เข้าหาธรรมเราก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง รสแห่งธรรมเป็นอย่างไรก็คือรสของความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีรสแห่งธรรมก็คือรสของวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถ ทำให้จิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้มีรถแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราจึงควรที่จะมีความยินดีในธรรมเพราะเมื่อเรามีความยินดีในธรรมเราก็จะได้เข้าหาธรรมกันเมื่อเราได้เข้าหาธรรมแล้ว ทำก็เราก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมรสของวิมุตติความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงรสของนัตสันติปรังสุขขังคือรสของความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี่คือสาเหตุที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรม และน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันธรรมที่พวกเราควรที่จะยินดีกันนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งธรรมที่เราควรยินดีก็คือความมักน้อยข้อที่สองความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดข้อที่สาม ความวิเวย้ยความสงบสงดัดข้อที่สี่ความไม่คุกคีกันแยกกันอยู่อย่าคุกคีกันอย่าสังคมกันมากจนเกินไปสังคมพอหอมปากหอมคอก็พอเอาเวลาไปอยู่ตามลําพังเพื่อจะได้สร้างความสงบให้กับใจข้อที่สี่ ข้อที่หคือความยินดีในความภาคเพียรในการปฏิบัติธรรมข้อที่6ความยินดีในศีลข้อที่เจดความยินดีในสมาธิข้อที่8ดความยินดีในปัญญาข้อที่9ความยินดีในวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และข้อที่สิบความยินดีในวิมุตติญาณทัศนะคือการได้รู้ว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วนี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราให้มีความยินดีให้มีขึ้นมาในใจของพวกเราด้วยการนำเอาไปปฏิบัติ ข้อที่หนึ่งให้เรามีความมักน้อยความมักน้อยก็คือไม่ให้โลภนั่นเองให้เอาเท่าที่จาเป็นให้มีเท่าที่จาเป็นถ้ามีมากเกินความจำเป็นก็เรียกว่าโลภเรียกว่ามากักมากเรียกว่าฟุ่มเฟย์เอาเท่าที่จำเป็นจะต้องมีเพื่อให้เราอยู่อย่างปกติสุข เช่นมีความยินดีในปัจจัยสี่ที่พอเพียงที่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปมากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรน้อยเกินไปก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการหรือตายไปก็ได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะยินดี ก็ยินดีในปัจจัยสี่คืออาหาร<อ>เครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยให้ยินดีกับกำลังที่เรามีอยู่ตามเรามีมากมีน้อยเราก็พอใจกับสิ่งที่เรามีอย่ามีมากเกินไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเ<อ>ช่นบ้าน เราก็อยู่ได้หลังเดียวอไม่จำเป็นจะต้องมีหลายหลังมีหลังเดียวจะทำให้เราสบายใจสุขใจเสื้อผ้าก็มีพอให้เราได้สวมใส่ไม่ต้องมีเป็นน้นตู้หลายตู้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลายเป็นภาระต่อการดูแลรักษาอาหารก็อาหารธรรมดา ไม่ต้องเป็นอาหารวิเศษเลื ด, ดูอะไรนับประทานเพื่อดับความหิวเพื่อรักษาให้ร่างกายอยู่โดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอาหารมื้อละร้อยบาทหรือมื้อละห้าร้อยหรือมื้อละห้าพันมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันคือทําให้ร่างกายอิ่มดับความหิวทําให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย อย่าไปมากมากกับเรื่องของปัจจัยสี่ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นก็ต้องรู้จักประมาณคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วชีวิตจะมีความสุขจะไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหามากจนเกินไป เพราะประโยชน์ที่จะได้รับก็จะไม่แตกต่างกันอย่างที่บอกอาหารมือละร้อยหรือละห้าหรือมื้อละห้าร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันดับความหิวได้เหมือนกันเช่นเดียวกับเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าธรรมดาไว้เสื้อผ้ามีหน้าที่ไว้ปกปิดรักษาร่างกายป้องกันภัยจากมแมลงสัตว์กัดต้อย ป้องการอากาศที่หนาวเย็นที่จะมากระทบกับร่างกายจะเป็นราคาเท่าไหร่จะทำด้วยวัตถุชนิดไหนมันก็เป็นแค่เสื้อผ้านี่แหละจะเป็นผ้าม่านอาจะเป็นผ้าไหมจะเป็นผ้าฝานหรือจะเป็นผ้าหอ่อศพก็เป็นผ้าเหมือนกัน พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลท่านใช้ผ้าหอ่อศพมาทำเป็นจีวรเพราะสมัยนั้นไม่มีใครถวายผ้าให้กับพระสงฆ์มีเพียงแต่การใส่บาทส่วนผ้าของพระสงฆ์พระสงฆ์ต้องไปหากันเอาเองก็ไม่มีที่ไหนนอกจากที่ป่าช้า ที่เขาเอาผ้าอออศบไปทิ้งไว้ในป่าชา้าพอศบเน่าเปื่อยแห้งกรอบไปแล้วเขาก็ผ้าก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรพระก็ไปเก็บผ้าเหล่านั้นมาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นจีวรไว้สวมใส่นี่คือความมักน้อยของพระสงฆ์องค์เจ้า ท่านไม่ถือว่าเป็นผ้าห่ อ, หอศพเพราะท่านก็ถือว่าร่างกายท่านก็เป็นศพเหมือนกันต่างกันตรงที่เป็นศพที่ยังหายใจได้ศพที่ในป่าช้าก็เป็นศพที่หายใจไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนกันเอาผ้าห่ อ, หอศพห่อร่างกายที่ไม่มีลมหายใจเอามาห่อร่างกายที่ยังมีลมหายใจอยู่ ที่ไม่มีความแตกต่างกันอะไรที่เป็นร่างกายเหมือนกันมีอาการสามสิบสองเหมือนกันจันเลยไม่รังเกียิผ้าหอ่อศพเอามาทาเป็นผ้าจีวรผ้าป่าที่เราถวายกันนี่แหละคือผ้าห่อศพในสมัยพุทธกาลผ้าป่าคำว่าป่าก็มาจากป่าช้านดเอง ความจริงควรจะเรียกชื่อเต็มว่าผ้าป่าช้าผ้าหอ่อศพเราจึงยังมีทำเนียมถวายผ้าผ้าป่านตอนที่มีการเผาศพกันตอนที่มีงานศพกันผ้าป่าคือผ้าบางส ก, กุลผ้าที่ในสมัยโบราณเขาเอาไปห่อศพจริงๆในสมัยนี้เขาเพียงแต่เอาวางไว้บนฝาลง ให้พระไปชักอไปชักผ้าเอามาใช้เท่านั้นเองอันนี่คือเรื่องของความมักน้อยความมักน้อยจะทําให้เราไม่ต้องดิ้นรนมากไม่ต้องเหนื่อยมากถ้ามากมากจะต้องทําให้เราต้องดิ้นรนหามามากก็จะเหนื่อยมากและความสุขก็จะน้อยลงไปอืม เพราะว่าต้องคอยคอยหามาอยู่เรื่อยๆแล้วความมากๆนี้จะทำให้ไม่มีขอบไม่มีเขตด้วยพอได้มากแล้วก็อยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีความสุขได้มาเท่าไหร่ก็ยังไม่พออันนี้คือข้อที่หนึ่งถ้าเราอยากจะมีความสุขสบายใจ ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับการไปหาสิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่พุ่มเฟือยเราต้องใช้ความมักน้อยเอาแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นสิ่งไหนไม่จำเป็นก็จะไม่เอาจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ถามดูว่าถ้าไม่ได้มันแล้วจะตายหรือไม่ ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จําเป็นหรือถ้าไม่ได้ทําให้ร่างกายเดือดร้อนเอก็ไม่จําเป็นถ้ามันทําให้ร่างกายเดือดร้อนก็จําเป็นจําเป็นก็ต้องหามามนี่คือข้อที่หนึ่งจะทําทให้ใจเรามีความสุขความสบายมากกว่าถ้าเราไม่มีความมากน้อย ข้ที่สองคือสันโดษให้เรายินดีตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าเราจะขาดแคลนสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าเราหามาได้เท่าที่เราหามาได้ตามกำลังของเราก็ให้ยินดีกับมันไปทำอย่างไรได้มันเป็นเรื่องของอเรื่องของบุญของกรรมก็ได้ อาจจะทำบุญมาน้อยมาเกิดก็เลยทุกยากลําบากขาดแคลนถ้าเรามีความยินดีพอใจอกับสิ่งที่เรามีอยู่หรือสิ่งที่เราได้รับเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจถึงแม้อาจจะมีความทุกยากลําบากทางร่างกายบ้างบางครั้งบางเวลา เช่นขาดปัจจัยสี่อย่างได้อย่างหนึ่งไปบ้างบางครั้งบางเวลาออแต่ถ้าใจมีสันโดษแล้วจะไม่ทุกข์ออจะมีความสุขกับความอดอยากขาดแคลนออยินดีตามนี้ตามเกิดออแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้งอมมืองอเท้าออออหมายความว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ มีหน้าที่ต้องหาสิ่งจำเป็นมาเลี้ยงชีพก็ทาไปตามตามกำลังความสามารถของสติปัญญาแต่ถ้าหามาได้เท่าไหร่ก็ถือว่ามันก็ได้เท่านั้นเหมือนเวลาเราไปจับปลาไปตกปลาบางวันเราก็อาจจะได้หลายตัวบางวันเราก็อาจจะได้ไม่กี่ตัวหรือบางวันอาจจะไม่ได้เลย ก็ขอให้มีความพอใจมีความยินดีแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะมีความรู้สึกสบายใจนี่คือข้อที่สองให้เรามีความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดคิดว่ามันเป็นเรื่องของบุญของกรรมก็เล่ากันถ้าเราหามาได้มากก็เรียกว่า เป็นบุญของเราถ้าหามาได้น้อยก็เรียกว่าเป็นกรรมของเราไปแต่อย่างไรเราก็ยังอยู่ได้เพียงแต่ว่าอาจจะอยู่แบบอัตคัดขัดสนแต่ความทุกข์ยากทางร่างกายนี้มันไม่รุนแรงเหมือนกับความทุกข์ทางใจถ้าเราไม่มีความสันโดษเราอาจจะทุกข์ใจเสียใจน้อยใจ แต่ถ้าเรามีความสันโดษเราจะไม่ทุกใจเราจะไม่เสียใจเราจะสบายใจ mm. พอใจพอใจกับสิ่งที่เราหามาได้ยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่ mm. นี่คือธรรมที่เราควรยินดีข้อที่สอง mm. คือความสันโดษ mm. ข้อที่สาม ให้เรายินดีกับการปลีกวิเวกให้เราไปอยู่คนเดียวหาที่สงบอยู่ตามลำพังเพราะถ้าเรามีสถานที่สงบใจของเราจะสงบตามกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกพอจิตวิเวกก็จะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบ เนืกว่าความสุขทั้งปวงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆที่จะมาคอยอสร้างความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลานัถ้าเราอยากจะมีความสุขทางใจ อยากมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็ต้องหมั่นไปปรีกวิเวกมีเวลาว่างไม่ต้องไปทำอะไรกับใครก็หลบไปอยู่คนเดียวดีกว่าแล้วถ้ามันยังไม่สงบก็ต้องใช้ธรรมะมาคอยควบคุมให้มันสงบก็คือต้องเจริญสติกันมัน ร, ร้องเลรหพุทโธพุทโธ ถ้ามันไม่สงบถ้ามันดิ้นมันคิดปรุงแต่งมันฟุ้งซ่านก็ใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วไม่ช้าก็เร็วใจก็จะสงบเย็นสบายจะอยู่ตามลำพังได้อย่างมีความสุขอยู่แบบมากน้อยสันโดดได้ไม่ต้องมีอะไรมากมายความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ความไม่ได้อยู่ที่ทาง ร่างกายแต่อยู่ที่จิตใจจิตใจจะสุขหรือไม่สุขก็อยู่ที่สงบหรือไม่สงบถ้าสงบแล้วก็จะมีความสุขอย่างยิ่งจะไม่มีความต้องการอะไรทางร่างกายก็พอให้มีปัจจัยสีเลี้ยงดูร่างกายก็พอแล้ว น, นี้คือความยินดีข้อที่สให้ยินดีต่อการปลีกวิเวก ข้อที่สี่ให้ยินดีกับการไม่คลุกคลีกันออย่า ค, คลุกคลีอย่าสังคมกันเพราะมันจะมีเรื่องมีราวให้ต้องทํากันอยู่ไม่รู้จักจบจากเสิ้นออยู่คนเดียวจะไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอะไรแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ชวนกันไปทํากิจกรรมนั้นทํากิจกรรมนี้อหรือถ้าคุยกันก็อาจจะมีการ ขัดใจกันมีการทะเลาะวิวาทกันมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่อกันใจจะไม่มีความสุขความสุขที่ได้เป็นความสุขปลอมความสุขเดียวเดียวเพราะโดยปกติถ้าใจอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องอยากจะอยู่ร่วมกันพออยู่ร่วมกันเจอกันก็ดีใจเดียวเดียวก็เกิดการทะเลาะกันได้ กิดการขัดใจกันได้ทําให้เกิดความเสียใจน้อยอกน้อยใจทําให้เกิดมีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆตามมาสู้ไปอยู่คนเดียวไม่ได้สู้อย่าไปคุกคีกันจะดีกว่าอนี่ก็คือทำข้อที่สี่ให้มีความยินดีด้วยการไม่คุกคีกันถ้าจะต้องคุกคีกันก็เอาเฉพาะ เวลาเอาเวลาที่จําเป็นถ้าเอาในเรื่องที่จําเป็นเท่านั้นอย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี้ท่านก็ยังต้องมาคุกคีกันบ้างแต่มีเวลาเช่นตอนเช้าท่านก็มาร่วมกันไปบิณฑบาตเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับมาคุกคีกันมาพบปะกันมาทํากิจกรรมร่วมกันกลับจากการบิณฑบาตก็มาฉันที่ศาลาร่วมกัน แล้วก็ช่วยกันเก็บกวาดถูสาลาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่อยแยกกันไปอยู่ตามที่ของตนอันนี้ก็เป็นการคุกครีแบบมีเหตุมีผลเมื่อถึงมีเวลามีความจำเป็นจะต้องทำภารกิจร่วมกันก็มาทําในขณะที่ทำภารกิจก็คอยประคับประคองใจให้สงบไม่ให้วุ่นวาย ให้ใช้สติคอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาใช้คำบริกรรมพุทโธหรือคอยเฝ้าดูการกระทำต่างๆทางร่างกายไม่คุยกันพระสองฆ์องค์เจ้าเวลาท่านทามาทำกิจกรรมร่วมกันนี้ท่านจะไม่คุยกันไม่เหมือนกับคารวะผู้คลองเรือนเวลามาจัด งานทําอะไรร่วมกันนี้จะคุยกันเจ้าทักทายเฮฮาปลาใสกันแต่สําหรับพระสงฆ์องค์เจ้านี้ท่านถือหลักของความสงบของใจเป็นหลักท่านจะไม่พูดไม่คุยกันถ้าจะพูดก็พูดกับพูดเท่าที่จําเป็นจะต้องพูดเท่านั้นเพื่อจะได้รักษาใจให้สงบนี่ก็คือเรื่องของ การไม่คุกคีกันถ้าเราไม่คุกขีแล้วปัญหาจะน้อยเรื่องวุ่นวายใจต่างๆจะน้อยข้อที่ห้าก็คือให้มีความยินดีต่อความทำความเพียรทำหน้าที่ต่างๆที่เราจะต้องทำคือให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานหน้าที่ของเราก็คือการเลี้ยงดู ร่างกายและรักษาใจให้มีความสุขมีความสงบนั่นเองร่างกายเราก็หาปัจจัยสี่หามาตามกำลังตามความสามารถของเราหาเท่าที่จำเป็นไม่หาให้มากเกินกำลังเกินความจำเป็นแล้วก็มาหาความสงบให้กับใจอให้ทำความเพีย สร้างธรรมที่จะทำให้เกิดความสงบให้กับใจธรรมที่จะทำให้มีความสงบก็คื อ, อข้อที่หกที่เราควรจะยินดีนั่นเองก็คือให้ยินดีกับการมีศีลเพราะการมีศีลจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไม่วิตกกังวลไม่หวาดกลัวไม่เศร้าหมองอ ถ้าเราไปทำบาปแล้วใจเราจะเศร้าหมองใจเราจะไม่สบายจะไม่มีความสุขนั่นเองถ้าอยากจะให้ใจมีความสุขก็ต้องรักษาศีลกันให้ยินดีกับการรักษาศีลกันให้เพียรรักษาศีลกันให้เริ่มจากศีลที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามีอยู่กี่ข้อก็ให้ เพิ่มขึ้นไปมีอยู่กี่ข้อก็รักษาให้มันอยู่ไว้อย่าให้มันหดหายไปถ้าตอนนี้เรารักษาได้สามข้อก็รักษาไปอย่าให้มันน้อยกว่าสามข้อแล้วถ้าเราเพิ่มขึ้นมาได้ก็พยายามเพิ่มอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งไปเพิ่มจากสามเป็นสี่เป็นห้า ต่อไปก็เพิ่มเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดได้หรือเพิ่มเป็นสองรอยี่บเจ็ดเลยก็ได้ถ้าเรามีความพยายามมีความเพียรในการที่จะรักษาศีลเราก็จะสามารถเพิ่มการรักษาศีลของเราให้มากขึ้นไปได้ตามลําดับแล้วต่อไปเราจะเป็นคนที่มีศีลครบถ้วนบริบูรณ์ การมีศีลนี้จะทําให้เราปลอดภัยจากการที่เราจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายนั่นเองการไปเกิดในอบายนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากการกระทําบาปเกิดจากการไม่รักษาศีลห้านี้เองถ้าไม่รักษาศีลห้าเนี่ยตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายสี่ที่ด้วยกัน ถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดลฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสูรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นก็จะไปนรกนี่คืออาบาย ที่ไปของผู้กระทำบาปถ้ารักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์ตลอดเวลาโอกาสที่จะไปเกิดในอบายนี้ก็จะมีน้อยมากหรือไม่มีเลยนี่ก็ประโยชน์ที่เราจะได้รับหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเรายัางต้องไปต่อ ถ้าเราไม่รักษาศีลห้ากันใจเราก็จะต้องไปในอบายกันแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ใจก็ไม่ต้องไปอบายตายไปก็ไปเป็นเทวดาถ้าได้ททาบุญมากถ้าไม่ได้ทําบุญก็กลับมาเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรต ไม่ต้องไปเป็นอาสุรกายไม่ต้องไปนรกกันนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการรักษาศีลกันแล้วถ้าเรารักษาศีลเพิ่มได้จากศีลห้าไปเป็นศีลแปดเราก็จะมีโอกาสได้ไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรหมการที่เราจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ เราก็ต้องมีความยินดีต่อการนั่งสมาธิต้องมีความยินดีที่จะรักษาศีลแปดแล้วก็มีความยินดีที่จะนั่งสมาธินั่งให้มากๆนั่งให้บ่อยๆนั่งให้สงบให้เป็นฌานเป็นอัปปนาสมาธิเพราะเวลาจิตมีความสงบจะมีความสุขอย่างยิ่ง เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เราได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นโลดโผฏฐะนเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขที่นิดเล็กน้อยแล้วก็จะเป็นความทุกข์ทรมานใจเพราะจะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปาก ความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการไปเสพรูปเสียงกิริย์ลดเกิดได้อย่างไรก็เกิดได้ตอนที่เวลาไม่ได้เสบนั่นเองแต่แต่มีความอยากเสบเนะเช่นเราไปเสพรูปเสียงกิริย์ลดเราก็มีความสุขกันแต่พอเรากลับมาบ้านความสุขนั่นก็หายไปความรู้สึกเศร้าหมองก็จะตามมาความรู้สึกเศร้าเหงาว้าวเวจะตามมา เวลาที่เราไม่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาะนั้วมันก็จะทําให้เราต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาะอยู่เรื่อยๆแล้วถ้ามีเวลาที่ร่างกายเราไม่สบายหรือแก่ชราเราก็จะไม่สามารถที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาะได้ เวลานั้นก็จะมีแต่ความไม่สบายใจความหงุดหงิดนำคาใจความเศร้าหมองความซึมเศร้าต่างๆตามมานี่คือโทษของการที่เราไปเสพไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะกันแต่ถ้าเรามาถือศีลแปดกันเราก็จะละเว้นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะ เช่นศีลข้อสามเราก็จะละเว้นการร่วมหลับนอนกันเราศีลข้อหกเราก็จะละเว้นการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายรับประทานถึงเที่ยงวันนี้ก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแล้วหลังจากเที่ยงวันก็ไม่ต้องไปรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ต้องออกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามลงภาพยนต์เพื่อหาความหาความสุขจากมหัศลศพหรือบันเทิงต่างๆหรือหาความสุขจากการเสริมสวยความงามทางร่างกายด้วยการใส่เสื้อผ้า อ, าอับพรที่สวยสดงดงามวิจิตรพิสดารเสริมใบหน้าเสริมเสริมผ้าผมใช้น้ํามันน้ําหอมอะไรต่างๆ ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วมันจะทําให้เราติดเวลาที่เราไม่ได้เสพความสุขเหล่านี้จะทําให้เรามีความรู้สึกหงุดหงิดเศร้าซ้อยหงอยเหงาลำคาญใจแต่ถ้าเราไม่ไปเสพแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันถ้าเรา ม, มีเวลาฝึกฝึกสติ เพื่อให้มีกำลังควบคุมใจให้เข้าสู่สมาธิได้ถ้าเรามีเวลามากเราก็จะมีโอกาสที่จะฝึกสติได้มากเมื่อมีสติมากก็จะมีกำลังที่จะควบคุมใจให้เข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับ จากการที่เราไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพักกันมันก็จะทําให้เราไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะไปเสพได้เพราะว่าการมีความสุขจากความสงบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ร่างกายเราสามารถทําใจให้สงบได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์ของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บ หรือแนมะ้ร่างกายจะตายใจก็ไม่เดือดร้อนใจสามารถสงบได้ด้วยสติสติไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสติอยู่ที่ใจถ้ามีสติคอยควบคุมใจคอยควบคุมความคิดคอยควบคุมความอยากแล้วใจจะนิ่งจะสงบจะมีความสุข เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่ทุกข์เพราะสามารถควบคุมความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเท่านั้นเองไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านก็แก่ท่านก็เจ็บท่านก็ตายกัน แต่ท่านไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะท่านมีสติมีปัญญาที่สามารถควบคุมบังคับความอยากไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ไม่ให้เกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เมื่อไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ที่เกิดจากความที่เกิดเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายก็จะไม่มี ถ้าพวกเรามาฝึกสติกันทำใจให้สงบได้เราก็จะควบคุมความอยากได้เวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราตายเราจะไม่เดือดร้อนเราจะมีที่พึ่งทางใจมียารักษาโรคใจมีธรรมโอสถธรรมโอสถก็คือสติสมาธินี่แล้วถ้ามีปัญญาได้ก็ยิ่งดีใหญ่ นอกจากให้เรามีความยินดีในสมาธิแล้วท่านก็สอนให้เรามีความยินยินดีในปัญญาต่อไปเพราะถ้ามีปัญญาแล้วเราจะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความไม่สบายใจทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้สตินี้หรือสมาธินี้ เพียงแต่กดความอยากไว้เท่านั้นแต่ไม่สามารถทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ความสมาธิหรือสตินี้ท่านเปรียบเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเราเข้าสมาธิจิตสงบก็เหมือนกับเอาหินไปทับหญ้าไว้หญ้าก็คือความอยากนี่เองพอความอยากถูกสมาธิกดไว้ ความอยากก็แสดงตัวไม่ได้ความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาถ้าไม่ได้คอยควบคุมความอยากด้วยสติพอเวลาไหนเผลอสติความอยากโผล่ขึ้นมามันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจได้เช่นถ้าไปคิดถึงเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่มีสติคอยยับยัง้ง ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้มีความรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้ามีสติพอที่จะคอยคุมมันไว้พอมันจะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็หยุดมันมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคือมันจะไม่ไปคิดถึงมันนั่นเองพอไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไม่ทุกข์ แต่ถ้าทุกครั้งไปคิดมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะยังไม่สามารถกําจัดความอยากได้ด้วยปัญญานั่นเองแต่ถ้ามีปัญญาแล้วต่อไปถึงแม้ว่าจะไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกี่ครั้งก็จะไม่ทุกข์เพราะว่าปัญญาจะสอนให้เรารู้ว่าที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่เห็นความจริงของร่างกายนั่นเอง หรือไม่ยอมรับความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้แล้วร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟมันมาจากดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟคืออะไรก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไป ทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารนี่เราเอาธาตุดินธาตุน้ําเข้าไปอาหารนี้มีข้าวก็มาจากดินข้าวมันต้องมีดินถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ผักก็ต้องมีดินก็ดินก็เปลี่ยนมาเป็นข้าวเป็นผักแล้วก็มาเป็นอาหารพอเข้ามาในร่างกายของเรามันก็มาเป็นอาการสามสิบสอง เปลี่ยนจากข้าวจากผักมากลายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันผมเราจึงยาวก็ออกมาเรื่อยเล็บยาวออกมาเรื่อยก็เพราะว่ามีการเสริมธาตุดินอยู่เรื่อยๆนอกจากธาตุดินธาตุน้ำแล้วเราก็ยังมีธาตุลมธาตุไฟด้วยธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกที่เราหายใจกันอยู่ตลอดเวลา ธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์นี่เองทำให้ร่างกายเรามีความร้อนทำให้ไม่เไม่เย็นเฉียบเหมือนร่างของคนตายร่างของคนตายนี้เป็นร่างที่เริ่มมีการาแยกทางกันของธาตุทั้งสี่เวลาคนตายปั๊บนี้ธาตุไฟนี้หายไปแล้วร่างกายนี้จะเย็นไม่ ไม่อุ่นเหมือนกับร่างกายของคนเป็นลมก็ไม่เข้าแล้วมีแต่จะออกอย่างเดียวลมที่อยู่ในร่างกายมันก็จะระเหยออกมาเรื่อยๆเป็นกลิ่นให้เราได้ได้ดมกันน้ำที่ก็อยู่ในร่างกายมันก็จะไหลออกมาตามถาวรต่างๆถ้าไม่ได้เอาไปทำอะไรปล่อยทิ้งไว้มันต่อไปมันก็จะเน่าแล้วก็จะแห้งกรอบ กลายเป็นดินไปเนี่นี่คือร่างกายที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราคือใครเราก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่แหละที่เราเรียกว่าใจหรือจิตเราคือจิตใจจิตคือผู้คิดใจคือผู้รู้เมื่อเมื่อมาได้ร่างกายก็ใช้ ความคิดนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วความหลงมันก็หลอกให้เราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราพอเรามีความหลงมันไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเราก็จะรักจะหวงมันเราก็จะไม่อยากให้มันจากเราไปเราก็จะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย เพาเราไปคิดว่าเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราจะแก่จะเจ็บจะตายไปกับร่างกายนั่นเองแต่ร่างเราไม่ได้เป็นร่างกายใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเพราะผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีส่วนประกอบเหมือนกับร่างกายร่างกายมีส่วนประกอบคือดินน้ำนมไฟ ที่เมื่อมารวมกันแล้วจะต้องมีวันแยกตัวกันไป เ, เวลาแยกตัวของธาตุทั้งสีนี่แหละเป็นเวลาที่ร่างกายเริ่มเสื่อมลง เ, เริ่มแก่เริ่มเจ็บเริ่มตายก็เพราะว่าธาตุทั้งสี่ไม่ยอมอยู่ร่วมกันแล้วอยากพยายามแยกตัวออกจากกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรแต่ใจนี้ไม่มีธาตุสีรวมมาใจเป็นธาตรู้ธาตุเดียวที่ไม่มีวัน ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันเจริญไม่มีวันเสื่อมเป็นธาบรู้อย่างไรก็เป็นธาบรู้อย่างนั้นมาตั้งแต่ดึกดําบรรจ์จนปัจจุบันนี้มันก็เป็นธาบรู้เหมือนเดิมเวลาจะผ่านไปมากน้อยเพียงไรก็ตามธาบรู้นี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นธาบรู้อยู่เหมือนกับธาตินก็มไม่มีวันเปลี่ยนแปลงธาตินก็ยังเป็นธาตินอยู่ไม่ว่าจะ อยู่ในยุคไหนสมัยไหนธาตุดินก็เป็นธาตุดินธาตุน้ําก็เป็นธาตุน้ําธาตุลมก็เป็นธาตุลมธาตุไฟก็เป็นธาตุไฟธาตุเหล่านี้เขาไม่มีวางเปลี่ยนแปลงแต่เขาอาจจะมารวมตัวกันก็ได้อย่างร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่รวมตัวของธาตุทั้งห้านี่แหละเป็นที่รวมของธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุรู้ก็คือใจผู้รู้ผู้คิด เมื่อมารวมกันก็เลยทำให้เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาผู้รู้ผู้คิดก็สั่งให้ธาตุสีคือร่างกายนี้เคลื่อนไหวสั่งให้ทำอะไรต่างๆนานาไปตามความอยากของธาตรู้นั่นเองธาตรู้ที่มารวมกับธาตุสีนี้ก็เพราะมีความอยากเป็นตัวดึงมาตัวอยากอะไรก็อยากจะมีความสุขจาก การได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทภะนั่นเองจึงทําให้ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยทําให้ธาตุรู้นี้มารวมกับธาตุสีที่เกาะตัวเป็นร่างกายขึ้นมาแต่เมื่อมารวมตัวกันแล้วมันก็จะมีจุดอิ่มตัวแล้วมันก็จะมีจุดเสื่อมตอนต้นมันก็จะเจริญมันจะรวมตัวกันเยอะมากขึ้นมากขึ้น ร่างกายก็เริ่มจเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ้าทั้งสี่ก็มารวมตัวมาเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นมากขึ้นไปพอมันมันมารวมกันจนถึงจุดอิ่มตัวก็คือร่างกายได้จเจริญเติบโ ต, ต, ตเต็มที่แล้วทีนี้มันก็จะเริ่มแยกทางกันมันก็จะเริ่มแก่ชราพอเรามีอายุได้ประมาณสี่สิบห้าสิบ เราก็จะต้องเริ่มนับถอยหลังแล้วนับวันที่ธาตุทั้งสี่จะเริ่มแยกตัวออกจากกันแล้วแล้วพอถึงวันสุดท้ายมันก็จะแยกกันออกไปธาตุไฟก็ไปก่อนธาตุลมก็ไม่เข้าแล้วธาตุดินธาตุน้าก็จะแยกออกจากกันไปแล้วเหลือแต่ธาตุดินไวในที่สุดถ้าเราเร่งเราก็เอาไปเผา ถ้าไปเผามันก็จะเหลือแต่ธาตุดินเหลือเป็นขี้เถ้าเป็นเศษกระดูกนี่คือร่างกายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เราคือธาตุรู้มาอาศัยมาใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่รู้เราจะทุกข์มากเวลาที่ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายเพราะเราจะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าเรารู้ถ้าเราสามารถสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายได้จะปล่อยวางร่างกายได้เราก็ต้องมีสติหยุดความอยากหยุดความคิดคือทำใจให้สงบให้ได้ถ้าเราทำใจให้สงบได้ แล้วเรามีปัญญามาสอนให้เราปล่อยวางร่างกายเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางด้วยการหยุดความอยากนี่เองคือไม่ไปอยากให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ ถ้าเราไม่ไปอยากเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ น, นี่คือปัญญาปัญญานี่เป็นผู้ที่จะถอดถอนอความหลงที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเกิดความอยากเกิดความทุกข์กับร่างกายถ้าเป็นถ้าเป็นสมาธิก็เป็นเหมือนกับหินทับยญ้าแต่ถ้าเป็นปัญญาก็จะเป็นเหมือนกับการถอน ถอนรากของหญ้าออกจากดินเลยถ้าลองได้ถอนหญ้าออกจากดินแล้วหญ้ามันจะไม่มีวันงอกงามขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าเราหินไปทับหญ้าไว้เวลาเรายกหินออกเดี๋ยวหญ้ามันก็จะงอกงามขึ้นมาใหม่จเจริญขึ้นมาใหม่ได้สมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้านี้อบรรดานักบวชทั้งหลายก็ทําได้เพียงแต่ เอาหินไปทับหญ้าเท่านั้นคือสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ดับความทุกข์ที่เกิดที่เกี่ยวกับร่างกายได้เวลาที่อยู่ในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็กลับมาใหม่เพราะว่าไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตา ย, วาตายเวลาที่ไปคิดถึงมัน แต่พอมีพระพุทธจเจ้ามาทรงตัดสุลูทรงสอนว่าความทุกข์ที่เกิดจากการไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนั้นเกิดจากความหลงที่หลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วก็ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเราได้พิจารณาดูร่างกายแล้วเราจะรู้จเห็นว่าร่างกายมันไม่มีตัวไม่มีตนมันทํามาจากดินน้ำนมไฟน ถ้าไม่มีดินน้ำลมไฟคือไม่มีอาหารไม่มีอากาศไม่มีลมหายใจไม่มีความร้อนร่างกายมันจะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้มันจะต้องตายแต่พอมีอาหารมีน้ำมีดินมีลมหายใจมีความร้อนร่างกายมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับมันมาจากธาตุทั้งสี่นี่เองคือดินน้ำลมไฟ แล้วก็มาให้ร่างกะให้ใหใจคือทารู้ผู้รู้ผู้คิดนี้มาใช้พาไปหาความสุขให้แก่ผู้รู้ผู้คิดนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าผู้รู้ผู้คิดรู้ว่าความอยากนี้เป็นเหตุที่ทำให้ต้องมามีร่างกายทำให้ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็หาวิธีหาความสุขแบบใหม่ ความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือการมาทำใจให้สงบด้วยการเจริญสตินี่มารักษาศีลกันมามากน้อยสันโดษมาปีกวิเวกมาไม่คุกคียกันแล้วก็มารักษาศีลมาทำความเพียรหมั่นเพียรรักษาศีลแล้วก็มันเจริญสติหมันนั่งสมาธิอพอทำใจให้สงบได้ ก็จะได้มีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วพอเราจเจริญด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็เลิกหาความสุขทางร่างกายได้เพราะเรามีความสามารถที่จะหาความสุขทางสติทางปัญญาได้แทน เราก็เลยไม่ต้องมีความอยากที่จะไปมีร่างกายอีกต่อไปเราพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปใจของเราก็จะอยู่อย่างสบายอยู่อย่างไม่มีความทุกข์อยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุข ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเรียกว่านิพานังปรมังสุขขังนี่เองนิพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพานคืออะไรก็คือจิตที่ได้กำจัดตัณหาความอยากต่างๆโมหะอาวิชากิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจนั่นเองกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาจะหมดไปจากใจได้ ก็ต้องมีธรรมะธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรายินดีกันนี่เองเออจะต้องมีความมาักน้อยมีสันโดษมีการปีกวิเวกมีการไม่คลุกคลีกันมีการทําความเพียรมีการเพียรรักษาศีลเพียรเจริญสมาธิเพียรเจริญปัญญาแล้ววิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็จะปรากฏขึ้นตามมาแล้วพอได้ดุจพ้นแล้วก็จะมียาอย่างทราบเรียกว่าวุฒิวิมุตติยาณทัศน ะ, ะรู้ว่าตอนนี้เราไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจแล้วเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายเราก็รับประทานยาไปได้เรื่อยๆตอนที่รับประทานยายายังไม่ออกฤทธิ์เต็มที่อความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังไม่หายไป แต่พอเรารับประทานยาไปได้เรื่อยเดี๋ยวพอยาได้ทําหน้าที่เต็มที่ความเจ็บไข้ได้ปวด่วยเช่นไข้อาการไข้อาการเจ็บปวดต่างๆตามร่างกายก็จะหายไปพออาการเหล่านี้หายไปเราก็จะรู้ขึ้นมาว่าอ๋อตอนนี้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่ต้องไปถามใครเวลาเราหายนี่ไม่ต้องไปถามหมอหมอผมหายหรือยังผมหายจากไข้หรือยัง มันเป็นสันทิฏฐิโกมันเป็นยานที่เราสามารถอย่างทราบได้ด้วยตนเองท่านถึงเรียกว่าวิวมุตติยานัทสนาเออคือผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกนี้จะมียานี้ปรากฏขึ้นมาเองจะรู้เองภายในตัวเองว่าทุกในลทุกในใจนี้ไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วไม่มีความทุกข์อยู่ในใจนี้อีกต่อไป ใจนี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาหวอนแล้วอันนี้คือธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นธรรมที่จะทำให้เราได้พบกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็คือรถของวิมุตติของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย พุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดทุกที่จะต้องไปเกิดในอบายต่างๆก็จะหมดไปทุกที่ไปเกิดในสุกติก็จะหมดไปแม้แต่ในสุขติก็มีทุกทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันต้องเส่อมไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเส่อมลงมาตกจากสวรรค์ชั้นสูงลงมาสู่สวรรค์ชั้นต่า จากสวรรค์ชั้นต่ำก็ตกลงมาสู่โลกของมนุษย์ตกมาพอมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายดังนั้นความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ว่าจะไปเกิดในภพไหนภูมิไหนก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่จะไม่มีความทุกข์ก็ต่อเมื่อไม่มีการมาเกิดเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด ผู้ที่จะไม่เกิดได้ก็ต้องเป็นผู้ที่วิมุตติได้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากการที่ได้อ่าปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆมาตามที่ได้ทรงสอนอคือทำทั้งสิบประการนี้นั่นเองอถ้าผู้ใดาสามารถปฏิบัติธรรมเหล่านี้ได้สามารถมีความมักน้อยมีความสันโดษสามารถปีกวิเวก ไม่คลุกคีกันสามารถทำความเพียรได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับสามารถรักษาศีลได้สามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งได้สามารถเจริญปัญญาจนเห็นใตรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจ ส, สีได้ผู้นั้นก็จะได้วิมุตติคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง แล้วก็จะได้ยานอย่างทราบว่าตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นแล้วได้บรรู้ถึงธรรมที่เป็นลดแห่งธรรมที่เหนือกว่าลดทั้งปวงก็จากความยินดีในธรรมที่พวกเรากําลังมีความยินดีกันอยู่ยินดีด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รับความรู้ รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรต้องทำอะไรเมื่อเรารู้แล้วถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติต่าไปผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติก็จะปรากฏตามขึ้นมาตามลาดับเป็นรถแห่งธรรมตามขั้นตามตอนของการปฏิบัติจากน้อยไปหามากจนในที่สุดก็จะได้รสแห่งธรรมเต็มร้อยแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจของเราแล้วต่อ อีกแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วออนี่แหละคือการยินดีในธรรมจะนำให้เราได้ไปพบกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงจึงขอฝากเรื่องของรถแห่งธรรมที่ชนะชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมที่ชนะความยินดีทั้งปวงนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุข ที่สูงสุดได้ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารวาหาภูราภิริกรินติสาขะลังเอวเมวะอิตุทินัางเปตานังอุปกัรปติ อิติตังปติตางตุมหังคิดว่าเมวะสมิจฉาตุสัพเพปริมตุสังกปาจันโทปนะอะราโสยะามณิจโตติอะราโสยะาสัพพิติโยวิวาจาตุสัพพารโควินาสตุ มาเตภวะตวันตราโยสุขีทีชายุโกภวะอภิวาธนศีฤทธิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวทานติอายุวโนสุขังพลาง ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแล้วหลังจากนั้นก็พอปิดประชุมแล้วก็ต้องของงุการถามตอบปัญหาถ้าใครไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนข้อความส่งขึ้นมาให้พิธีกรช่วยอ่านให้ได้วันนี้ทางเฟ e b o o k เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook 334ค่ะ YouTube 129ร้อยย10ผู้เราฟังบนเขา175รวมทั้งหมด648ค่ะอ่ามีคำถามอะไรไหมใครอยากจะถามไหมวันนี้อ่ามีเดี๋ยวส่ง<ร>เดี๋ยวอาจจะพูดไม่กระติดต่อนะคะเอาเลยพูดตามภาษาเราอย่างอย่าง พูดใกล้ๆหน่อยพูดใกล้ๆหน่อยพูดใกล้ๆพูดใกล้ๆไมหน่อยที่ฟังพระอาจารย์เทศอะคะ่ะที่ถ้าเราจะละเพื่อให้ไปถึงวิมุติคือเริ่มตั้งแต่เราต้องมักน้อยออละละโลกโกรหลงอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะออฟังไปจนจบก็คือเกิดความสงสัยว่าถ้าละได้แล้วไม่ไปเกิดเนี่ย แล้วไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เดิมอะจิตมันไม่มีที่มันอยู่ที่เดิมไม่ว่ามันจะไปเกิดแล้วไม่เกิดมันอยู่ในโลกทิพย์ไงจิตเป็นทางตุอยู่อ่าเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ไม่มีกิเลสเท่านั้นเองไม่ล่องรอยไปไหนไม่ลอยอไม่มีใครรอยจิตทุกดวงมันอยู่ที่ของมันก็คือจะอยู่นิ่งๆกับที่ใช่ไอมถ้าจิตมีกิเลสมันก็ไม่นิ่งมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็สุกขทุกขไปตามกิเลส แต่มันไม่มีที่มันเพราะมันไม่มีรูปร่างมันไม e e. ่มีร่างกายเหมือนเราร่างกายมันต้องมีที่ที่อยู่แต่จิตมันไม่มีร่างกายมันเลยไม่ต้องมีที่อยู่มันอยู่ที่เดียวอยู่ที่เนทที่โลกทิพย์แล้วมันก็คิดไปคิดแล้วก็เกิดความสุข ค, ความทุกข์ขึ้นมาคิดดีก็เกิดความสุขขึ้นมาคิดไม่ดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็คิดดีก็เป็นเทวดาชั้นต่างๆไปคิดไม่ดีก็เป็น เอเป็นอบายไปเป็นเปรตเป็นยากเป็นมารไปแล้วถึงจุดนั้นจิตจิตสามารถแบบเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดแบบที่พู้อาจารย์พูใช่ไหมครับว่าถ้าถ้าเกิดคือพอถึงแล้วแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดมันแว บ, บไปทางไม่ดีอ๋อมันมไม่ไปแล้วอคุมมันได้แล้วมันไม่ไปแล้วมันรู้ว่าเป็นการไปทําให้ตัวมันเองเจ็บมันไม่ไปหรอกมันถ้าเรารู้ว่าเรากินยา กินกินเครื่องดื่มนี้แล้วทําให้เราท้องเสียเราก็ไม่กินอีกแล้วเจอเครื่องดื่มนี้กี่ครั้งก็ไม่กินเพราะมันรู้ว่ากินแล้วท้องเสียกินไปทำไมถ้าคิดแล้วทุกคิดไปทําไมมันก็จะไม่คิดมันจะไม่คิดไปในทางความอยากไม่คิดไปในทางความโลบโกลีดหลงก็คือจะนิ่งเลยก็อยู่เฉยๆก็มีความสุขเหมือนเราเข้าสมาธินั่งสมาธิมีความสุขกว่าไปเที่ยว เราไปเที่ยวให้ให้ให้เหนื่อยทำไมนั่งเฉยๆมีความสุขมากกว่าค่ะคำถามจากเฟ e บุ๊กค่ะคุณจงศนีจริงไหมคะที่ว่าขณะใกล้ตายจิตห่วงสิ่งใดก็จะไปหาสิ่งนั้นเช่นห่วงลูกก็จะวนเวียนไปหาลูกหลังจากเสียชีวิตแล้วเมตตาอธิบายด้วยค่ะก็ ถ้ามันมีความห่วงมากมันก็ยังจะดึงจิตไว้ชั่วคราวก่อนแต่ไม่ได้ดึงไว้ตลอดเวลาเช่น mm. ถ้าเป็นห่วงใครมากอยากจะอยู่ใกล้เขาก็วิธีที่จะอยู่ใกล้เขาได้ง่ายได้เร็วก็ต้องไปเกิดเป็นตุ๊กแกเป็นจิ้งจกอยู่ในบ้านนี้ของเขาจะได้อยู่ใกล้เขาแต่พอ ร, รู้ว่าอยู่ใกล้เขาแต่ก็คุยกันไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้ เขาไม่รู้แล้วว่าเราเป็นเขาเราเป็นเราเขาไม่สนใจเราเราก็เสียใจเดี๋ยวพอยิ้งจบตายไปมันก็ไม่อยู่แล้วไปแล้วเขาไม่เขาลืมเราแล้ ว, ลวพอเขาเผาศพเราสามวันเขาก็ลืมเราแล้วแต่เรายังไปรักเขาไปห่วงเขาเองพอเขาไม่ห่วงเราไม่รักเราเรารูท้ทีหลังเราก็เสียใจเราก็พอตายจากเป็นจริ้งจบเป็นตุกแกแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อไป คำถามต่อไปนะคะกาเปียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าการแยกแยกธาตุขันทํำยังไงคะก็เนี่ยศึกษาการแยกธาตุขันก็คือศึกษาว่าร่างกายนี้มันมาทําด้วยอะไรเหมือนเครื่องโทรศัพท์มือถือนี่เราจะแยกว่ามันทําอะไรเราก็ต้องแกะมันออกมาใช่ไหมแกะฝาออกมาแกะเครื่องออกมาแล้วดูว่ามันทําด้วยอะไรทําด้วยพลาสติกทําด้วยกระจก ทำด้วยโลหะเหมือนก็นี่ก็คือการแยกถ้าเราไม่แยกเราก็จะไม่รู้ดูร่างกายเราก็จะคิดว่าเป็นคนเป็นเป็นร่างกายอย่างนี้แม้แต่ข้างในเรายังไม่เคยคิดเลยไม่เคยเห็นใดใช่ไหมในร่างกายเรามีอะไรบ้างเคยเห็นบ้างไหมเคยคิดบ้างไหมเราอยู่กับโครงกระดูกมาตั้งแต่เกิดนี่เรารู้เปล่าว่าเรามีโครงกระดูกในตัวเราเนี่ยไม่เคยเห็นและไม่เคยคิดเพราะเราไม่ไม่แยกแยกมัน ถ้าเราคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาการสามสิบสองนี่ก็เป็นการแยกแยะร่างกายให้ดูว่าร่างกายนี้มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเหมือนรถยนต์นี่ถ้าเราอยากจะรู้มันทําด้วยอะไรเราก็ต้องไปแยกมันออกมาแยกล้อไว้ส่วนหนึ่งแยกกระบะไว้ส่วนหนึ่งแยกเครื่องยนต์ไว้ส่วนหนึ่งแยกไฟแยกอะไรไว้ส่วนหนึ่งแยกแบตเตอรี่แยกอะไรเดี๋ยวก็มองเห็นว่ารถยนต์หายไปไหนไม่เห็นมีเลย ก็มีแต่ส่วนประกอบชิ้นส่วนต่างๆร่างกายเราก็เหมือนรถยนต์เนี่ยมันมีชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบให้เป็นร่างกายขึ้นมาพระเจ้าก็สอนว่ามันมีสาสิบสองชิ้นด้วยกันมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะ แล้วก็น้ําต่างๆน้ําดีน้ําเเลตน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหงื่อน้ํามันคข้นน้ําตาน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํามูกน้ําไขข้อเนี่ยให้ศึกษาตอนต้นก็ท่องชื่อมันไว้ก่อนก็ได้ท่องอาการ32ไปเมื่อท่องเสร็จแล้วก็นึกถึงเอาทีละเอาทีละอาการผมผมมันอยู่ตรงไหนลักษณะมันเป็นอย่างไรมันเป็นเส้นเส้นเหมือนก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ผมอ ขนมันอยู่ตรงไหนมันสั้นมันอยู่ตามร่างกายต่างๆ mm. ก็เรียกว่าขนห mm. นังเป็นยังไง อ, อ๋อหนังมันก็หุ้มมาตั้งแต่หัวลงไปจนถึงเท้าเลยเป็นเหมือนถุงเข้าใจไหหนังเนี่ยเป็นเหมือนถุงพลาสติกที่เรามาหุ้มกระดูก mm. หุ้มมาวิวัฒนาต่างๆห mm. นังก็ติดกับเนื้อ mm. เนื้อก็มีเอ็นมาผูกติดไว้กับกระดูกอีกทีนึง อันนี้คือการแยกแยะร่างกายชิ้นส่วนต่างๆออกมาเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นตัวเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นกระดูกเราไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นขนไม่ได้เป็นเล็บเป็นฟันแยกแยะนี้เราจะได้ไม่หลงเราจะได้ไม่ไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วพอเรารู้ว่าเราไม่เป็นร่างกายเราจะได้ไม่ต้องไปกลัวมันร่างกายมันเป็นอะไรเราก็ไม่หวั่นไหวเป็นก็เป็นไปสิ เมือร่างกายของคนอื่นเราหวั่นไหวไหยเวลาร่างกายของคนอื่นเขาเจ็บเขาปวดเขาถูกทําร้ายเราหวั่นไหวไหมเราไม่หวั่นไหวไม่ใช่ตัวเราฉัาในใดร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราอย่างนั้นนี่คือการแยกแยะธาตุขันธาตุขันก็คือร่างกายนี้โดยจะแยกแบบลักษณะเป็นดินน้ำนมไฟก็อย่างที่ได้แสดงไว้ในธรรมว่ามันมา ร, รวมกันด้วยดินน้ำนมไฟ ดินก็มาทางอาหารน้ำก็มาทางเครื่องดื่มที่เราดื่มเข้าไปลมก็มาทางลมหายใจไฟก็มาจากความร้อนของของแสงอาทิตย์มารวมกันมันก็เลยทำให้เกิดเป็นผมขนเล็บฟันเป็นอาการสามสิบสองไปแล้วเวลาตายมันก็แยกออกจากกันไปนี่เรียกว่าแยกธาตุแยกขันให้เห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสีให้เห็นว่าเป็นเพียงอาการสาสิบสองไม่มีตัวใครอยู่ในนี้ พ่อแม่ไม่ได้อยู่ในนี้พี่น้องไม่ได้อยู่ในนี้สามีภรรยาไม่ได้อยู่ในนี้เราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้เราเพียงแต่มาใช้ร่างกายครอบครองร่างกายนี้เป็นสมบัติชั่วข่าวเท่านั้นเองแล้วก็ใช้ให้มันไปไหนมาไหนเหมือนกับเราไปซื้อรถยนต์คันหนึ่งร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่จะพาเราไปไหนมาไหนตามที่ต่าง คำถามต่อไปจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะการที่เราจะบรรลุธรรมเช่นขั้นโสดาบันไม่จําเป็นจะต้องได้ฌานได้อภิญญาอิทธิปฏิหารใช่หรือไม่ครับแต่สามารถรู้ด้วยปัญญาออใช่ไหมครับ อ, อ๋อปัญญาต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้าปัญญาไม่มีสมาธิจะไม่มีกําลังปล่อยวางจะไม่มีกําลังหยุดความอยากที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ ฉันผู้ที่จ ะ, จะเจริญปัญญาเพื่อบรรลุปเป็นพระอริยะได้นี่ต้องมีสมาธิก่อนต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนคำถามต่อไปจากผู้เราแต่ไม่ต้องมีอภิญญามีสมาธิคือมีอุเบกขาแต่ไม่ต้องมีตาทิพหูทิพไม่ต้องเหาะเหินเดินอากาศได้ไม่ต้องระลึกชาติได้ไม่ต้องเอ่ออ่านวาลจิตของผู้อื่นได้อันนี้ไม่เกี่ยว ขอให้มีอุเบกขาที่เกิดจากสมาธิแล้วก็จะสู้กับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้คําถามต่อไปจากผู้ราฟังบนเขาค่ะการที่เราเก็บกระดูกของบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วไว้เพื่อบูชาร้ำลึกถึงท่านดังนี้เขาว่าบิดามารดาจะยังไม่ไปไหนวนเวียนอยู่กับเราโปรดพิจารณาอธิบายค่ะ อ, อไม่หรอก เขาก็ตายไปแล้วเขาตั้งแต่เขามันลหมดลมหายใจเขาก็ไปแล้วเขาอยู่กับร่างกายนั้นไม่ได้แล้วาดการติดต่อกันแล้ร่างกายของเขาใครจะไปทําอะไรเขาไม่รู้แล้วเขาถูกบุญบาปมาดึงไปรับผลบุญผลบาปแล้วถ้าเป็นเป็นนักโทษก็เจ้าหน้าที่ตํารวจมาจับตัวไปแล้วจับไปดําเนินคดีเอ ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วเวลาคนตายนี่ก็เหมือนถูกบุญกับบาปจับไปดําเนินคดีถ้าบุญพาไปก็ไปสวรรค์ถ้าบาป พ, พาไปก็ไปอาบายนอกจากอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไว้ว่าถ้ามีความห่วงใ ย, ยใครมีรักใครก็อาจจะวนเวียนอยู่ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ไปตามกําลังของบุญของบาปต่อไปคําถามจากคุณจงซินีค่ะการที่เราเคยพลาด ทำศีลห้าในอดีต ท, ที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเราละชั่วตั้งใจรักษาศีลประพฤติตัวใหม่ถามว่าเมื่อเราตายไปเราจะต้องไปเกิดในอบายไหมคะก็อยู่ที่ว่าบาปที่เราทํานี่มันมีมากกว่าบุญที่เราทําหรือเปล่าเวลาตายไปเนี่ยมันจะมีบุญกับบาปมาดึงใจเราไปถ้าบาปที่เราทํายังมากกว่าบุญที่เราทําอยู่บาปก็ยังดึงเราไปอบายได้แต่ถ้าเรา รู้ว่าทำบาปไม่ดีอดีตเราทำมาเราเลิกทำเราทำแต่บุญไปเรื่อยเวลาเราตายถ้าบุญเราทามากกว่าบาปบุญก็จะดึงเราไปก่อนบาปที่เราทำก็ยังไม่มีกำลังที่จะดึงเราไปแต่ยังไม่หมดยังไม่หายวันไหนที่บุญเราน้อยกว่าบาปมันก็จะดึงเราไปต่อดึงไปอบายไดอยู่คำถามจากคุณไพโรธค่ะแฟนของกระผม พ, พึ่งฝึกทาสมาธิ ก็ผมเลยบอกให้นั่งหลับตาพุทโธเขานั่งได้สักพักใจสัน่นๆพอนั่งลืมตาพุทโธกับนั่งได้นานขอคําอธิบายจากพระาจารย์ด้วยครับเ อ, อ๋อก็เพราะว่าสติเขายังไม่มีกําลังพออ่านนั้นเขต้องฝึกสติก่อนมานั่งเดินจงกรมก่อนก็ได้อเดินจกนงกรมแล้วนั่งพุทโธพุทโธไปก่อนลืมตาไปก่อนก็ได้ถ้าไม่สัน่นแล้วพอ นั่งไปได้สักระยะหนึ่งรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นก็ลองหลักตาดูแล้วก็พุโทโธต่อไปคำถามจากคุณนุกค่ะทำไมพระอรหันต์มีกระดูกเป็นธาตุแล้วก็ทำทำไมร่างกายถึงไม่เน่าเปื่อยคะเน่าเปื่อยนั่งกายมันทำไมไม่เปื่อยมันก็เปื่อยกันทุกคนอ่ะที่ไม่เปื่อยพอก็ไปฉีดยามั้งฉีดยา ที่เขาทําให้ร่างกายมันไม่เปื่อยได้แต่ตามปกติแล้วร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นของผ้าหรือของใครมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของร่างกายไอ้ที่ไม่เปื่อยนี่ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเพราะเขาไปฉีดยาอาจจะถูกเขาหลอกลวงกันก็ได้ว่าคนพระองค์นี้พิเศษตายแล้วไม่เปื่อยแต่ไม่ได้บอกว่าไม่เปื่อยเพราะไปฉีดยายากันแม่มันเปื่อย นั่นมันไม่ร่างกายเหมือนกันทุกคนนะต่างกันตรงที่ว่ากระดูกนี่อาจจะกลายเป็นพระธาตุหรือไม่ที่กระดูกเป็นพระธาตุเพราะใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่สามารถฟอกกระดูกให้เป็นธาตุได้คำถามจากคุณกิติกวินคะ่ะถ้าไม่บวชฝึกเจริญสติที่บ้านสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมครับ ได้มันไม่ได้อยู่ที่บวชไม่บวตบวชแล้วไม่เจริญสติปัญญามันก็บรรลุไม่ได้มันจะบรรลุไม่บรรลุอยู่ที่สติปัญญาจะมีสติมีปัญญามันก็ต้องมีสมาธิมีศีลเป็นผู้สนับสนุนไั้นไม่ได้อยู่ที่บวตแล้วไม่บวตไม่ได้อยู่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สมัยพระพุทธเจ้านี่มีคนบรรลุทำทุกแบบทุกเพศทุกวัย มีเด็กเป็นบรรลุก็มีผู้ใหญ่ก็มีคารวะก็มีนักบวชก็มี ด, ด้บใดถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วรับรองได้ว่าบรรลุได้ด้วยกันทุกคนคำถามจากเฟซบุ๊กค่ะการที่เราเกิดมาเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเจอกันเป็นเรื่องกรรมเก่าหรือบังเอิญคะแล้วการที่ไม่มีพ่อแม่ในร่างกายนี้ยังไม่เข้าใจเจ้าคะ่ะ กาเหมือนกับคนขับรถกับรถเนี่ยคนขับรถมันเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์รู้ป่ะแล้วเป็นคนละส่วนกันเวลารถยนต์พังคนขับรถพังไปกับรถรู้ป่ะเวลารถเสียเวลาที่เราเปลี่ยนรถนี่คนขับไปกับรถคันเก่ารู้ป่ะคนขับไม่ได้ไปกับรถคันเก่าใช่ไหมร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์นใจผู้รู้ผู้คิดคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็น ลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องนี่คือใจผู้ใช้ให้ร่างกายสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้วันนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นคนขับร่างกายเวลาร่างกายตายไปใชนร่างกายของพ่อแม่ตายไปตัวพ่อแม่ที่เป็นคนขับร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับพ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเขาก็ไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ ไปเป็นลูกของพ่อแม่คนใหม่แล้วก็ไปเป็นพ่อแม่ของลูกคนใหม่ของเขาต่อไปคำ ถ, ถามจากคุณอภิวัตรค่ะเรียนถามครับการตามดูจิตตามดูอะไรบ้างครับอย่างไรครับ อ, อ๋อการตามดูจิตนี้สําหรับผู้เริ่มปฏิบัตินี้ตามไม่ได้หรอกเพราะไม่มีเครื่องมือจะไปตามผู้ที่จะตามจิตได้นี่ต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิแล้วมีสติแล้ว ถึงจะสามารถตามจิตตามเพื่อจับผู้ลายไงจิตนี้มันมีผู้ลายซ่อนอยู่ในจิตผู้ร้ายคือใครก็คือกิเลสตัณหาถ้าเราไม่มีอาวุธเราอย่าไปตามจับมันเดี๋ยวถูกมันกัดเอาเหมือนจะไปจับเสือนี่ถ้าไม่มีปืนอย่าไปจับมันต้องหาปืนไว้ก่อนต้องเตรียมปืนไว้ก่อนพอมีปืนแล้วเราค่อยไปจับเสือได้ เาจะจับกิเลสตัณหาที่อยู่ในจิตได้เราก็ต้องมีสติมีปัญญาถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็จะไม่สามารถที่จะไปดูจิตได้ดูก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าดูอะไรไม่มีปัญญาดูแล้วถ้ารู้ว่ามันเป็นกิเลสร่ว่าไม่ดีก็หยุดมันไม่ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีปืนไว้ยิงยิงฆ่ามันไม่มีสติปัญญาไว้ฆ่ามัน ยังเริ่มต้นนี้ดูจิตไม่ได้สําหรับผู้ที่ยังไม่มีสติไม่มีสมาธิไปดูจิตไม่ได้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคําถามจากคุณวัดค่ะให้เงินพ่อแม่ได้บุญหรือเปล่าครับให้เงินเมียลูกถือว่าเป็นฝากเงินไปใช้ในชาติหน้าหรือเปล่าครับเป็นทั้งนั้นอ่ะการให้เงินใครไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าให้โดยฟรีๆไม่มีการแลกเปลี่ยน ถ้าให้แบบมีการแลกเปลี่ยนก็ไม่ใช่เป็นบุญเช่นไปจ้างเขามากวาดบ้านถูบ้านให้คนรับใช้อางนี้อันนี้ก็ไม่เป็นบุญเพราะเป็นการแลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าให้เขาฟรีๆโดยที่ไม่ต้องการให้เขาให้อะไรเราเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นบุญคำถามจากคุณไอซ์เบอรี่ค่ะกล่าวเป็นถามพระอาจารย์ว่าการตั้งสัจจะอธิษฐานในการปฏิบัติธรรมมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ มันก็จะบังคับให้เราทำํำไงถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้มันเราก็จะไม่ทําเช่นวันนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่เราก็อาจจะไม่ได้มาที่นี่ก็ได้เช่นพอตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าวันนี้กูจะไปไหนดีเพราะไม่ได้ตั้งเป้าไว้เกิดเพื่อนโทรมาชวนให้ hey, ไปกินเหล้าไหมอ๋อไปก็ไปกับเพื่อนหรือเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ไปหรือธุรกิจมาชวนให้ไป <c oughs> ทําอะไรก็ไป นี่คือลักษณะแบบไม่มีการตั้งเป้าไว้การตั้งสัจจะก็คือการตั้งเป้านั้นเองว่าเราจะเดินไปในทิศทางในเราจะไปทําอะไรในเวลาใดถ้าเราตั้งสัจจะไว้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องไปทางนั้นเช่นวันนี้ตั้งใจจะมาวัดพอตื่นเช้าก็เตรียมตัวมาวัดกันถึงแม้ใครจะมาโทรไปเรียกไปไหนมาไหนก็ไม่ไปเพราะเรามีสัจจะคําว่าสัจจะก็คือเราไม่โกหกตัวเรา เราตั้งเป้าไว้แล้วตั้งจิตใจจะทำอะไรแล้วเราจะไม่เปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจก็เรียกว่าไม่มีสัจจะมันจะมีไปมันจะไปคู่กันการตั้งเป้าก็คืออธิษฐานสัจจะก็คือความจริงใจถ้าเรามีการตั้งจิตสัจจะอธิษฐานแล้วแสดงว่าเราจะไม่เปลี่ยนใจต่อการที่เราตั้งเป้าหมายของการกระทำของเรา คำ ถ, ถามจากคุณธรรมชาติจัดสรรค่ะเมื่อมีภาระหน้าที่ดูแลพ่อแม่ก็ต้องดำเนินไปก่อนแต่ตั้งใจจะออกบวชเมื่อหมดภาระหน้าที่ปัจจุบันมีการฝึกเจริญสมาธิปัญญาสติพิจารณาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยด้วยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาของโลกขอกับคำแนะนาจากพระอาจารย์ในข้อนี้ด้วยครับก็ทาไปเรื่อยๆให้มันเห็นว่ามันไม่เที่ยง มีเกิดแล้วก็มีดับเดี๋ยวตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือบุคคลพ่อแม่เราก็เอาไปไม่ได้ตัวเราร่างกายของเราเราก็เอาไปไม่ได้ลูกหลานพี่น้องใครก็ต่างๆไม่มีใครเอาใครไปได้มาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปตัวเปล่าๆคาถามจากคุณปัญญาขอขออภัยคะ่ะคําถามจากคุณดันทัชพรคะ่ะเวลาคนเราทําบุญ แล้วโพสผ่านเฟ e b o ๊ k อย่างนี้ผิดไหมเจ้าคะพว์หมายเด็งประกาศน ะ, ะก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่า อ, อาจจะอยากให้คนอื่นเขารู้แล้วร่วมอนุโมทนาบุญมั้งได้ชื่นชมยินดีกับการทำบุญของเราก็ไม่เป็นไรใช้ได้อย่าไปทำในลักษณะโอ้อวดก็แล้วกันว่าฉันรวยบุญฉันเก่งในการทำบุญแต่ทำเพื่อให้ให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนฝูงได้รู้ว่า วันนี้ได้ไปทําบุญมานะอย่างนี้ยเขาปอเขาทรางกขาสาธุอนุโมทนาเขาก็ดีใจด้วยก็เหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวเราก็โพสตใช่ไหมเวลาเราไปกินอาหารร้านไหนแล้วก็โพสตออาพอเพื่อนเขาเห็นแล้วเขาก็สาธุสาธุกันไปเป็นการส่งข่าวสารเท่านั้นเองคําถามจากคุณรมชนีค่ะขอถามว่าทําบุญตักบาทพระบิณฑบาต ของเราฝากเขาใส่ให้เราจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะได้เท่ากันเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มร้อยขาดตรงที่เราไม่ได้ทำเองเท่นั้นเองแต่ของที่เราให้นี้เราได้เต็มร้อยส่วนที่เราต้องไปใส่เองเราไม่ได้ทำอันนี้ก็เป็นของคนอื่นไปคนที่เขาไปใส่ให้กับเราก็เขาก็จะได้รับส่วนนี้ไปแต่ถ้าเป็นของของก็ยังเป็นของเราอยู่บุญก็ยังเป็นของเราอยู่บุญที่เป็นของ แต่บุญที่เกิดจากการใส่มันไม่ได้เป็นของเราจากคุณกองทัพธรรมคะ่ะผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องพระธาตุของพระ อ, อรหันครับเพราะผมบอกเขาว่าพระบอสอรหันบางองค์ก็ไม่มีพระธาตุครับก็เวลาซักพ้อกมันมีน้อยเวลาสมมติว่าเป็นพระอาหารหันแล้วก็อยู่ได้ไม่กี่วันก็ตายไป เวลาที่จิตสะอาดบริสุทธิที่จะฟอกธาตุก็มีไม่กี่วันเหมือนเราเสื้อผ้าใสเข้าไปยังไม่ทันเสื้อยังไม่ทันเปียกทั่วเลยเราก็ดึงออกมาแล้วแต่ถ้าเราแช่มันนานๆแช่มันหลายชั่วโมงนี่เรามีผงซักฟอกมีน้ำเดี๋ยวไอ้พวกคราบสกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้ามันก็จะหลุดออกมาหมดอันนี้ก็แบบเดียวกันจิตเราก็เป็นเหมือนเครื่องซักฟอกซักฟอกธาตุ จากกลายเป็นดินคือกระดูกนี้เป็นธาตุดินมากลายเป็นธาตุเป็นเป็นก้อนหินไปคำถามจากคุณอมรค่ะพระอาจารย์ครับผมอยากบวชการบวชนี้จะทําให้ตนเองได้รับสิ่งที่ดีเพียงลางําพังแต่หากบวชแล้วดูแลครอบครัวได้หรือไม่ครับทําอย่างไรครับ อ, อ๋อถ้าอยากบวชนี่ไม่ดีหรอกต้องอยากปฏิบัติอย่างยดีะ ถ้าบวชแล้วไม่ไปปฏิบัติก็อย่าอย่าไปบวชให้เสียเวลาบวชแล้วไปดูแลครอบครัวก็อย่าไปบวชการบวชนี้ไม่ต้องการที่จะไปดูแลใครต้องการไปปฏิบัติอย่างเดียวถ้าไปบวชแล้วไปทำภารกิจอย่างอื่นก็อย่าไปบวชทาให้เสียศาสนาเสื่อมไปเปล่าๆคำถามต่อไปค่ะจิตที่คิดชอบปรามาชอบเกิดขึ้นลูกจะแก้ไขยังไงดีครับ ก็หยุดมันใชเวลาน้ำปาลมามาใครก็ใช้พุทธโธพุทธโธไปพอรู้ว่ามันคิดไม่ดีแล้วก็ใช้สติหยุดมันได้พุทธโธพุทธโธพุทธโธไปตอนนี้คำถามหมดแล้วคะ่ะพรอาจารย์อ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวพักสักโดยหกนาทีใครอยากจะถามอะไรก็ยังถามต่อได้อยกมือขึ้นส่งไม้ไป อ, อยากจะถามไหม อ่าสองไม้ไปพูดใกล้ๆปากเหน่อยนะทำไมเขาควรก็าไม้มันไม่แรงพูดใกล้ๆปากค่ะกลับเนี่ยถามนะคะคือต่อจากที่เพื่อนถามเรื่องของริดมุดนะคะที่ท่านบอกว่าจิตก็ยังอยู่นะคะทีนี้อย่างกรณีของพระพุทธเจ้าที่ท่านปรินิพานนะคะดูมจิตท่านปรินิพานเนี้ยต่างกับ ก็เรียนอย่างนี้ไหมค่ะคือนิพพานมีสองอย่างนิพพานในขณะที่ยังมีร่างกายกับนิพพานที่ไม่มีร่างกายแล้วเช่นพระพุทธเจ้านิาพพานตั้งแต่วันเผ่นเดือนหกขณะนั้นอายุสาสิบห้าปีจิตของท่านถึงนิพพานแล้วจิตของท่านสะอาดบริสุทธิ์แล้วไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วแล้วพอไม่มีร่างกายตอนที่ท่านตายตอนอายุแปดสิบเราก็เรียกว่าปรินิพพานความความว่าปรินิพพาน ก, ก็แปลว่าตาย แต่เราใช้กับพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าปารินิพาน<ะ>ถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เรียกว่าสวรรคต<ะ>ถ้าเป็นพระก็มรรณภาพ<ะ>มันเป็นศัพท์แทนคําว่าตายเพราะเราไม่ชอบคําว่าตายกันเราก็เลยหาศัพท์มาใช้แทนกันเพื่อฟังแล้วมันเก้มัมนเทม่มันรู้หน่อยเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดมันแปลว่าตายเพราะยังองถ้าไม่มีอะไรต่างกัน แต่ว่าพระพุทธเจ้าตายก็เรียกว่าปานิพานถ้าพระธรรมดาตายก็เรียกว่ามรณานุภาพมรณภาพถ้าพระเจ้าแป็นดินตายก็สวรรคตถ้าคนนายกตายก็อสัญญกรรมถึงแก่อสัญญกรรมแต่ไม่ยอมใช้คำว่าตาย <c oughs> <c oughs> ต่อไปคำถามจากคุณสุรินทร์ค่ะ ลูกชอบฝันเรื่องเดิมๆซ้าๆบ่อยมากจนจําได้ทุกเหตุการณ์และผู้คนที่อยู่ในฝันก็เหมือนเดิมทุกคนแล้วลูกนั่งดูเหมือนเป็นผู้กํากับหนังและลูกก็ชอบเห็นตัวเองออกจากล่างบ่อยมากแต่ก่อนลูกกลัวมากกับสิ่งนี้ไม่ทราบว่าเป็นสัญญาหรือไม่คะก็เป็นสัญญาทั้งสัญญาสังขารสัญญาสังขารเป็นตัวที่สร้างความฝันขึ้นมาเรื่องอะไรที่เราจําได้ เรามีความผูกพันกับมันแล้วก็จะฝันถึงมันบ่อยๆฝันมันซ้ําอยู่นั้นคําถามจากคุณสงเสงี่ยมค่ะไปทําบุญแต่ไม่ได้รับพรใส่เสร็จเรากลับเลยแบบนี้เราได้บุญไหมคะได้พรกับบุญมันกนละอย่างกันเนี่ยบุญเกิดพอเราบุญมันเหมือนกินอาหารนะพอตักอาหารเข้าท้องไปมันก็เกิดความอิ่มันขึ้นมานะ ไม่ต้องมารอให้บอยมาบอกว่าขอบคุณครับสําหรับบริที่ท่านมาสนับสนุนล้านผมพระเป็นเหมือนบอยเขาใช่ไหมเวลาโยมาทําบุญพระอะไรบอกขอบคุณจ้ า, อ, าอนุโมทนาสาธุให้พร อ, อันนั้นเป็นคนละเรื่องไม่ใช่บุญให้พรของพระก็คือเป็นการพูดขอบขอบใจเขาพูดให้กําลังใจขใเข้าใจไหมหรือบอกว่าวิธีที่จะเรา เวลาเราทําบุญนี้เราจะได้อะไร เ, เวลาที่พระสวดยัดถาสัพเพนี่ท่านบอกว่าบุญที่ท่านทําในวันนี้ท่านสามารถอุทิศให้กับคนตายไปได้แล้วบุญที่ท่านทํานี้แหละจะทําให้อายุวันนะสุขะพาระเกิดขึ้นมานความหมายมีท่านนั้นเวลาพระให้พรพระมาให้เราไม่ได้อันนี้มันเกิดจากการทําบุญของเราเราได้แล้วไม่ว่าพระจะสวดหรือไม่สวดจนเวลาเราใส่บาต พาท่าไม่ได้พออย่างนี้เราก็ได้บุญแล้วคำถามจากคุณนุกค่ะอยู่เมืองนอกไม่ค่อยได้ขับรถเลยไม่ค่อยได้ไปทำบุญแต่นั่งสมาธิเดินจงกรมครั้งละสิบนาทีเองค่ะทำอย่างนี้เป็นวางวันแบบนี้จะได้บุญหรือไม่เจ้าคะก็ได้บุญก็หลายอย่างนั่งสมาธิก็ได้ความสงบได้ความสุขใจอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเราทําบุญเราก็ได้ความสุขใจอย่างหนึง่งแล้วอันที่สองมันก็ต่างกันพบหน้าชาติหน้าถ้าเราไม่ได้ทําบุญเราก็จะไม่มีไ ม, ไม่มีเงินมีทองมารอรับเราถ้าเราทําบุญทําทานไวเราก็จะมีเงินทองรอรับเราแต่ถ้าเรานั่งสมาธิชาติหน้าเราไปเกิดแล้วก็ไปนั่งสมาธิต่อได้คํถาถามจากคุณชนธราค่ะเอาสุดท้ายนะวันนี้ ขอวิธีการปฏิบัติทำในขณะที่ทำงานต้องทำและยังมีโอกาสและยังไม่มีโอกาสที่จะไปทำในที่สับปะยะเจ้าค่ะเวลาทำงานก็ให้มีสติเฝ้าอยู่กับการที่เราทำอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นกำลังทำงานอะไรก็ให้จดจ่ออยู่กับงานที่เราทำอย่างน้อยก็มีสติในระดับหนึ่งแต่ก็ยังสู้สติแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิด เพรเวลาเราทํางานนี่บางทีเรายังต้องใช้ความคิดอยู่แต่ช่วงไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าคิดนะให้รู้เฉยๆเช่นเวลาเราดื่มน้ําเราเดินไปไหนมาไหนที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าปล่อยให้ใจคิดให้ให้ให้รู้ว่ากําลังทําอะไรแต่ถ้าเวลาทํางานที่ต้องใช้ความคิดก็คิดไปด้วยแต่ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าคิดนอย่างนี้เราก็เป็นการฝึกสติ เอาเวลาเรากลับบ้านเราอยากนั่งสมาธิก็อาจจะนั่งได้ใจก็จะสงบเพราะเราคอยควบคุมความคิดถ้าเราไม่ควบคุมความคิดเรากลับไปถึงบ้านความคิดอยู่จากเรื่องงานมันก็ยังตามมาที่บ้านเราได้แต่ถ้าเรามีสติเราจะเบรกมันไว้ได้พอเราออกจากที่ทำงานเราก็ไม่คิดถึงเรื่องงานแล้วอย่างนี้ก็จะทาให้เราไปนั่งสมาธิได้ง่ายกว่า